มัปสต่อการทีการตายสงบก็ได้แก่ความคหยหาอะไรความโกรธความกลั ว, ค ว, ลวความสุขทิ่ติดทางใจแล้วก็ความเจ็บปวดหลายคนก็มีความรู้สึกนะที่จะเริ่มความเจ็บปวดในเพราะใกล้ตายมันทำให้เกิด อาจทำให้เกิดความทุรนทุนทนรายก่อนตายแล้วก็ทำให้ตายไม่ดีเพราะถูกครอบงาด้วยโทรศัพท์จากตัวโคยธนาแต่ถ้าเปียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยใน้ความเจ็บปวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ สีตัวแรกซึ่งจะเรื่องของจิตใจหรืออารมณ์ทั้งนั้นเลยยิ่งทุกวันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีในะที่ช่วยบรรเทาความปวดตีขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงแม้ว่าในเวลาเดียวกันมันก็มีเทคโนโลยีที่ไปเพิ่มความปวดโดยไม่จำเป็นมากขึ้นเช่นกันแต่ถ้าเราเลือก วิการดูแลร่างกายที่เหมาะสมกับสภาพของโรคเพืเช่วแทนในกายื้ชีวิตและก็ใช้การรักษาแดูแลกับประับ ป, ประคองพอรู้ว่าอยู่ในระยะท้ายแลย้วระยะท้ายคือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หรือว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของโรคซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือการเยียวยาถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสมให้ความเจ็บปวดจะไม่จาเป็นนะมันก็จะน้อยลงมันเกิดจากความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคนะไม่ใช่เกิดจากกระบวนการเยียวยาหรือเทคโนโลยีลนะความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคเนะี่ย มันก็มีเรื่องโนี่ที่ช่วยบรรเทาไปได้เยอะจต่แม้การ น, นั่งนเนี่ยนะก็ใช่ว่ามันจะวควบคุมไปให้หมดไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคําพูดว่ายานี่ออกไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นคําพูดที่เราได้ยินคือทั่วไปในวงการแพทย์หรือกับผู้ป่วยจต่แม้กันนั่งเนี่ยบนะในความเจ็บปวด ทำกายเนี่ยมันก็ไม่ได้รบ ก, กวนจิตใจเรามากเท่ากับความวล่งหรือหวงความโกรธความกลัวความชืกผิดหลายคนที่เราเห็นก็ทุรนทุรายในระยท้ายเนี่ยความปวดเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะปัจจัยหลัก ก, ก็คือปมปัญหาทางอารมณ์ มากกว่าซึ่งถ้าจัดการกับปมอารมนั้นได้เนี่ยความปวดก็คือเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยพอทนไหวไดยาก็จะเอาอยู่มีคนป่วยคนนึงเนี่ยแต่ก็ตอนที่อยู่ในระยะท้ายเยต่ก็กล้าวาวมาใช้ความรแรงกับหมอกับพยาบาล เทวาลแต่นี้แต่มากแกก็อาราว่าที่แรกใครก็ไม่รู้ว่าแกมีทุกขเวทนาบิกขั้นมากแต่บอกว่าปมรุ้เึ้นของแกเนี่คือแกมีตัญหากับภรรยาเพราะว่าตอนที่สุขสบายก็ไปมีเมียน้อยไปอยู่ความเมียน้อยแล้วตอนหลังก็พอป่วยเข้า ก็ต้องกลับมาตายรังเมียก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาแต่ก็ทำด้วยความไม่เต็มใจเวลาอยู่ที่โรงพยบาบาลก็ไม่ค่พูดคุยกันเท่าไหร่หน้าตาก็บึ้มอันี้ฝ่ายเมียนะภรรยาก็สังเกตได้ถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็เลยชวน ฝ่ายหญิงเ่าคุยแล้วพอรู้ปัญหาเนะี่ยก็แนะนำให้เธอนี่ให้อภัยสามีให้มองเห็นความดีของเขาแล้วว่าเขามีความดีอะไรบ้างให้เธอก็เห็นนะเริ่มเห็นความดีของสามีเช่นรับผิดชอบกการเงินของครอบครัวดูแลลูกดี ลูกก็รักเธอก็กลับมาให้อภัยสามีได้แล้วก็เริ่มปฏิบัติดีกับสามีปรงยาบาลก็แนะนำว่าทำยังไงสัมผัสกับผู้ป่วยอย่างนุ่มนวลช่วยเชิดน้อเช็ดตัวทําให้ดูแล้วก็ชวนให้ภริยาเนี่ยทําพอท่าทีของภริยาดีขึ้นนะคนไข้ก็เปลี่ยนไปเลย อาการวีนอาการเบี่ยงกา้าวราก็ลดลงนี่เห็นได้ชัดว่าเนี่ยที่แกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกผิดและความรู้สึกเครียดนะที่ภรรยานนเนี่ยนะหน้าตาตึงตึงแต่พ อ, อได้รับความเอาใจใส่ด้วยความรักก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแต่ไามา่ยังโกรธอยู่นะโกรธอยู่แต่แต่ว่าใจมาสบายแล้ว เราจะพ่อหลายคนเนี่ยที่เขาแม้กระทั่งคนที่บผกเขาปวดเนี่นะปวดปวดเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ความปวดก้อนใหญ่นี่มันเกิดจากความโกรธหรือว่าความกลัวหรือความรู้สึกผิดพอคลี่คลายอารมณ์ตรงนี้ไปได้เนี่ยเป็นความปวดมันลดลงไปเยอะเลยอย่างผู้ยญงมันจะเป็นมะเร็งเต้านม เธอไปใช้แสงชีทีโมตามมาตรถานคดยดที่ใใส่ขึเบบนแล้วปวดปวดมากแต่หมอที่เราสังเกตเวลาเธอเดินเธอเนี่ยเหมือนคนปกติคนเปลี่ยนปานก็เลยมานั่งคุยกับเธอแต่ส่วนใหญ่เธอเป็นฝ่ายพูดก็าเล่าวกวนเวียน เ, เรื่องของอะไรเรื่องของสามีและลูกคือโกรธนะ แต่ก็น้อยใจที่เขาไม่มาเยี่ยมมาเยี่ยมไม่แนะนำถังคอบเลยโอเพยบาลเขาฟังในความใส่ใจเห็นใจแต่ก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้แทรกแทงไม่ได้สอนอะไรทั้งสิ้นคนแคนเราพูดจบเนีนะ่เธอก็รู้สึกวนะ่าความปวดนี่มันลดไปเยอะเลยมันแปลว่าความปวดที่เธอรู้สึกอย่างก้อนใหญ่ไป มันเป็นเรื่องของมันเกิดจากความโกรธพอคลี่คลายความโกรธได้เนี่ยในความปวดก็ทุกเราเมืเพื่อนเขาเราเคยเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งระยะท้ายแล้วก็แคปมีการกระสับกระสายหมอกใ็ให้ยาแค่ยาระงับปวดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทั้งวันเนี่ยให้ถึงร้อยสี่สิบมิลลิกรัมจะแคียงเอาไม่อยู่นี่ย เขาก็เปลี่ยนวิธีใหม่นะคือยาก็ให้นะแต่ว่าผันมาทำอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มที่เรียกว่าท o t a l r ทอร x a t i เ n ชันคือการผ่อนคลายลไปทั่ว ส, สารพัดงกายเปิดเพลงเบาเบาแล้วก็พูดให้คนไข้ผ่อนคลายด้างกายทีละส่วนทีละส่วนตั้งแต่ศีรษะมือที่ช่วยนะพาเราทำ เดนพอเราทำตอนช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาจรา ก, ก็ทำช้าๆตั้งแต่ข้อเท้าให้แต่ศีรษปจนปลายเท้าแต่และครั้งก็ใช้เวลายี่สิบนาทีแล้วก็ทำหลายครั้งคนไข้รู้สึกดีขึ้นตอนหลังก็แนะนำให้ญาติทํให้ญาติทาเองบ้างเพราะคน่ายเนี่ยความปวดทุนเรา ให้ยาใ mm ี้รักสึกบริกรรมทั้งวันเนี่ยก็ mm hmm. ก, ก็เอาอยู่แหละให้มองการว่าความทุกข์หรือความปวดส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยมันเกิดจากความคิด mm hmm. เกิดจากความเครียดเกิดจากความวิตกกังวลหรือเกิดจากความปรุงแต่ง mm hmm. นั่นพอจัดการกับตรงนี้ได้เนี่ความปวดมันก็จะทุเลาแล้วก็ เอาอยู่ได้ในที่จริงแล้วเนี่ยมันมันก็มีวิธีการหลายอย่างนะที่เราพบว่ามันช่วยทําให้ความปวดทุเราลงโดยที่ยานี่อาจจะเป็นตัวเสริมหรือว่าอาจจะไม่ทําเป็นเลยก็ได้อย่างที่เคยเล่าเมื่อสองวันก่อนคุณยายจะปวดท้องแลแ้วแกก็ครางเรียบารมาแทนที่จะถามว่าแกปวดกี่คะแนนก็ถามว่ายาย ชีวิตนี่ทำแล้วก็มีความสุขมากที่สุดยายก็ตอบว่าหลอกพระณกฤษาเนี่ยการหลอพระมันเป็นเรื่องที่เป็นมหากรุศลมากผ่านไปสิบกว่าปีก็ยังจําได้แม่นยาหมอก็เลยโรงพยาบาลก็เลยถามในื่อยายจำได้ไหมวันนั้นยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรยายจาได้หมดโรงยาบาลเลยชวนคุยเรื่องนี้คุยมาสิบที่สิบนาที คุยจบแกก็พูดมาว่าหมอหมอแกจลเป็นว่าหมอแรกเนี่ยมันทายปวดไปเยอะเลยความปวดที่กเราลงไปเลยที่ไม่ได้เพิ่มยาอะไรยาน่ะให้แล้วนะแต่เอาไว้อยู่นะแต่ว่าพอชวนคุยเรื่องหมอพระนี่ใจดจกรรมเป็นปกติอันนี้เราใช้ศรัทธาใช้ศรัทธา ช่วยบรรเทาความปดวดพระผูเจ้าเคยจัสว่าเนี่ยศรัท ธ, ธาเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขนะแล้วท่านก็ลําดับนะเป็นนะเป็นตอนตอนเลยนะศรัท ธ, ธาทําให้เกิดปราโมทนะปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทำให้เกิดปสัสสัติความผ่อนคลายการละใจและทําให้เกิดสุขและสุขเนี่ยก็นำไปสู่สมาธิ ทั้งหมดนีเน่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นอกุศลนะ เ, เป็นกุศลแะจิตทำพูกเดียวกันคือมันเกื้อกูลกันพอศรัทธาแล้วมันก็เกิดกุศลกล้วทตัวใหม่เนี่ยสุดท้สุดก็ทําแล้วเกิดสุปเนี่ยคนที่เขาโกรนะจะเกิดน้ออนใจให้เขาเรองถึงซึ่งเขศรัทธาเรถึงบุญกุศลบุทั้งเงถึงบุญความดีที่เขาได้ทําเนี่ย หลายคนเนี่ยจะพบว่าความปวดทุเราลงที่เคยใช้ยามากก็ใช้ยาน้อยลงยังคนที่เขามีศรัทธาหรือ ว, ว่าในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะได้เปลี่ยน เ, นยเพราะว่าตอนนึกถึงเนี่ยมันเกิดความอิ่มเอเกิดความสุขขุ่นขึ้นมานอกจากศรัทธาแล้วนะเออเมตตานี่ก็ช่วยนะเรื่องจากเมตตาของคนที่อรอบข้างอย่างที่ อาจารย์แสงเล่านะน้องสาวปวดปวดหนักเลยระหว่างทางไปโรงพยาบาลเพิ่นติดยาติดยาระงมาปวดมาด้วยเป็นมอฟนชนิดเมึ่ก็ต้องประคองคนไข้ที่เขานั่งนั่งแล้วปรากฏว่าเกิดหาเกิดหายใจขัดเ ก, กิดหมอบจางแสงกอดกอ่อย่างอ่อนโยน ท่านใจะให้ไม่ต้องให้แล้วไม่ปวดแล้วแล้วก็พูดกันมาว่ a ลดแคลริ pain and c o ค f o r t people ความรักสามารถจะบรรเ ท, ทาปวดและทำให้แล้วก็เรียกว่าทำให้สุขสบายได้ไม่ใช่ความรักที่ได้รับจากคนอื่นนะความรักหรือแม้ตที่เตียงให้เราคนอื่นก็ช่วยนะเพื่อจะมาคุณนเป็นบาดดวง เราก็เคยไปเยี่ยมลูกศิษย์คนหนึ่งที่ปี676เธอเป็นโรคพุ่มพวงแล้วก็การหนักมากทาอะไรไม่ได้เลยนะผ่าก็ผ่าไม่ได้เพราะว่ามันบวมไหมดเดียกว่าอยู่ในระยะที่ <c oughs> ตอนที่ไปเยี่ยมเธอเธอก็ตักพ่อว่าทําไมพระเจ้าทําให้หนูเป็นอย่างนี้ตักพ่อพระเจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยพ่อไม่ทราบนะ เพิ่มพระประสงประเจ้านแต่ว่ามีอย่างที่ใช้ทั้งคื้นให้สวดมให้สวดถึงพระองค์แล้วก็ให้สวดให้กับผู้ป่วยในวอดของเธอด้วยแล้วท่านก็คุยท่านธนาพักใหญ่แล้วก็กลับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เป็นเยี่ยมเลยก็มีกิจธุระที่ต่างจังหวัดตระานั้นมันมีโทรศัพท์มือถือแั้งไวยี่สิบปีที่แล้วยังไม่เคยแพ่ลาย แต่เป็นเดินกลับมาเยี่ยมเธอเพรว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่ที่แปลกใจคือคนไข้ในวอร์นี่รักเธอมากเลยทุกคนต่างชื่นชมเธอเพราะว่าหลังจากที่บาดห ล, งหลวงเนี่ยกลับไปเนี่ยคนไข้หรือหญิงสาวคนนี้เธอก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนท่าทีก็เปลี่ยนนะมาช่วยเหลือคนในวอร์ ช่วยพาไปเข้าห้องน้ำช่วยพูดคุยให้กำลังใจบางทีก็ร่นน้ำให้อื่นช่วยคนนั้นคนนี้ทั้งที่บางค น, นีอาการเ่ากว่าเธอเรียกว่าเธอทําจนกระทั่งเธอไม่ไหวช่วยคนนั้นคนนี้แต่ตอนที่เธออยู่ในระยะท้ายเนี่ย เธอก็สัมอมากเลยจากที่คนป่วยเล่าเนี่ยนะมันเป็นภาพที่แตกตา่างจากที่บาทหลวงท่านนั่นเห็นตอนที่ไปเยี่ยมเธอครั้งแรกมันก็เป็นคนละคนอันนี้ก็แสดงให้เห็นอันที่สงความเมตตานะคือพวมถึงคนอื่นเนี่ย เธอก็รู้สึกดีขึ้นอะที่เคยเป็นทุกข์ก็กลับมาด้านเันตอ น, น, นแรกๆก็ไม่ไหวแต่พอนด้นถึงคนอื่นนะก็เหมือนว่าความโปวดเนี่ยทำอะไรเธอไม่ได้<ม>เธอก็ช่วยบาะคนนี้จนกระทั่งาการมันแย่ลงถึงเวลาตายก็ตายสมอ อันนี้ก็เลยว่าความเมตตาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันก็ทําให้ความทุกข์ของเรานี้เล็กลงและที่จริงความเมตตามก็ช่วยเยียวยาร่างกายได้ไม่น้อยนะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงก็เคยพูดไปแล้วนะว่าการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นมันมีส่วนเยียวยามเมล็ดของเธออย่างไรบ้างคนที่เป็นเอชติดเชื้อชี ว, วีก็เหมือนกันนะอันนี้ก็รอบไปแล้วตอนที่คุยกันเรื่องทองเลน ความเมตตาเนี่ยการถึงผู้อื่นเราก็เป็นโบสดนะไม่ว่าเมตตาที่เราได้รับจากผู้ดูแลคนรอบข้างหรือเมตตาที่เรารให้กับคนอื่นแม้กระทั่งเมตตาต่อโรคนะช่วยได้นะมีพี่คนเก็บเป็นเป็นโรคสเก็ต อ, อย่างแรงแรงขนาดที่ว่าเธอต้องนอนอยู่บนหลตองนะเพราะว่าเนื้อตัวนี้มันก็มีน้ําเหลืองมีอะไร เธออยู่กับรดนี่แหละโดยที่ไม่ได้กินยาอะไรัากปวดเท่าไหร่เธอเราว่าเนี่ยเวลาเธอเธอเป็นชอบทําบุญเวลาเธอไปทำบุญเธอก็จะพูดกับสะเก็ดเงินนะสะเก็ดเงินเธอไปก็เอาบุญกุศลไปด้วยนะแต่เธอเธออยู่เธอต้องระวังนะเพอาะยาที่ฉักินแรงกินยาแก้เงินทาสะเก็ดเงินนะเธอไม่โกรธสะเก็ดเงินแล้วเธอมีแต่ความเมตตาให้ความรู้สึกเมตตาต่อสะเก็ดเงินก็ทํำให้ ความทุกความโกรธเกลียวซึ่งจะไปซ้าเติมความเจ็บปวดให้ดุจยรงขึ้นมันก็ลดน้อยลงแต่หรือว่าความโกรธเนี่ยมันก็ทำให้ความเจ็บปวดทวีนะบางทีไม่ใช่คูนสองอีกคูณสามเนี่ยแล้วตรีคูณและไม่ใช่ตัวทีคูนเด็ก็ัจะเป็นมะเร็นเธอก็อยู่กับมาเร็เรได้ โดยที่เช้ ย, ยาแล้วมาปวดน้อยแต่มีปัญหาคือตอนกลางคืนเธอจะปวดมากพราะมาเร็งเธอก็จะคุยกับมาเร็งนะมาเริงนะตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วเนะฉันจะนอนเธอก็นอนด้วยนะเราพูดที่ค่อยว่ากันใหม่แต่แล้วเธอก็ ล, ลกอกเปลี่ยนกล่องรู้ให้มาเริงฟังมาเร็งมันจะรับรู้คาําพูดขเธอหรือป่า น, นี่ไม่ใช่ประเด็นนะ จับประเด็นคือการที่เธอทำเชนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำด้วยเมตตาจิต ท, ที่เมตตาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความเจ็บปวดทุเลาในทางตรงข้ามจิต ท, ที่โกรธมีโทสะมันยิ่งทำให้ความโกรธและทำให้ความปวดแรงขึ้นฉะนั้นเพียงแต่เราเนี่ยรักษาใจไม่ให้โกรธหรือว่าเพิ่มพลังบบก็กลายเปความเมตตาแลวก็ทําเมตตาต่อโรค เมตตาต่ออาวิวาสที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความปวดได้ที่อันนั้นคือสมาธิคุณหมอาลาเคยเล่าก็ไปเยี่ยมอาจารย์คนนึ่งอายุา40กว่าจะเป็นคนข ย, ยันทํา ง, งานมากนะได้ทุนอาจารย์ทำวิญญตนจบมาก็ทํ า, ทา ง, งานทา ง, งานทำ ง, งา น, น, งงานแล้วมก็เป็นมะเร็งมะเร็ ง, ม, รงมันก็ลามไปถึงกระดูกกระปวดมากเลยนะ ไม่วันนั่งท่านไหนก็ไม่มีความสุขเลยหมอให้ยาทุกสมชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงแกก็ยังขอหมอให้ยาทุกสามชั 3, ่วโมงแกยังขอเลยขอทุกสอชั่วโมงขอทุกชั่วโมงได้ไหมมันปวดมากปากบี๊ซีเลยนะเม็ดเหื่อเม็ดโตโตนี่อ่อนหอนคุณหมอของเราก็ถามว่าคนไข้เคยทําสมาธิไหมแกไม่เคย ถการหายใจก็ลำบากหายใจอยู่ก็ฟื้นฟาดฟื้นฟาแต่คุณหมอก็แนะนําให้ลองใช้พุโทโถก็ไม่แน่จ ใ, จ ใ, ใจว่าภาวนาพุทโถหรือายใจเข้าพุทยใจออกโทนี่จะหไหวไหมก็เอานึกพุโทโธในใจแล้วกันตามจังหวะ ก, การหายใจที่แรกเนี่ยคุณหมอมาเราที่ว่าคนไข้าทาได้ห้านาทีเเก็เก่งแล้วที่แกใส่เท้าทำเท่าไหร่หรอทำเท่าที่ทําได้ ทำได้ห้านาทีเขาเก่งนะพอาปวดมากเขาก็พอไปทําสักห้านาทีพอผ่านไปห้าทีเนี่ยเสียงฟึดฟาฟึดฟาเนี่หายไปคุณหมอเวลาแปลกใจลืมตาขึ้นมาก็นั่งสมาธิได้กันเป็นอะไรลูกฝาดนะเสียงฟึดฟาหายไปปรากฏว่าแกนั่งสมาธิอยู่แต่ลมหายใจละเอียดขึ้นสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วสุดท้ายแกนั่าถึงห้าสิบนาที ก็ยิ่งนำก็ยิ่งดีนะพอลืมตาขึ้นมาเหมือนก็เป็นคนละคนเลยยิ่งแด้งจังใจควาเป็นสื่อชมพูเหงือนี่หายไปเลยคนไข้นะิสจัดมากความปวดมันทุเลาไปเยอะคุณหมอมาสงสัยคุณไม่เคยทำสมาธิทำไมทำได้ดีแบบนี้แช่กบอกยังคงเพราะแช่มีสมาธิกับงานเอาสมาธิกับงานเอามาใช้กับการ พาวนานหรือตามลมหายใจหรือพุทโทแล้วก็อันเดียวกันนะนะแล้วคนไข้แล้วนนเนี่ยก็ใช้ยามอฟรีนเนี่ ย, น, น, ยน้อยมากใช้แค่วันละครั้งแต่ก่อนนี่ทุกสามชั่วโมงจต่ตอนหลังแค่วันละครั้งไม่ได้ใช้มากแล้วก็อยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตดีนะที่หมอออยู่ได้สามเดนกติอย่ได้ปีครึ่นแต่ตอนหลังนะน้ําท่วมปอดหมอเอ็กซาเนี่ปอดนี่ขาวหมดเลย แต่คนไขน้ในดวงัดปกติหมอก็แปลกใจเอ็กซเรย์ผิดอดเอ็กซเรย์ใหม่ก็เหมือนเดิมนะน้ำท่วมปอดแต่ทําไมแก้หายแกเป็นคนปกติเลยแกพูดเรื่องเกี่ยวไม่ได้หายใจได้ปอดนะอันนี้อัศจรรย์มานะถ้าไม่ทางที่ไม่ใช่เกิด น, นักภาวนานะแต่ขนาดลมหายนะักปอดเนี่ยน้ำท่วมเนะี่ยแกก็ยังก็ยัรู้วิธีหายใจที่ทํามำไม่ถูก มันคงไม่ใช่แค่รู้วิธีนะแต่เป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็สติด้วยคือเรื่องการทําวางใจด้วยนอกจากสมาธิแล้วสตินี่ก็ช่วยนะสติเนี่ยสตินี่สมาธิมันเหมือนกับว่าทําให้ลืมปวดเช่นปวดที่ท้องปวดที่กระดูกก็เอาจิตมาอยู่ที่เราหายใจมันก็ลืมปวดไปได้นะแต่ว่าสตินี่ก็คือการมาเห็นความปวดแต่เห็นโดยที่ไม่เข้างเป็น เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดก็มีผู้ชายคนแก่เป็นมะเดนที่กระพาะนะปวดมากตอนนั้นยาก็เอาไม่อยู่นะปวดแบบที่ว่าเรียก ว, ว่ า, ววาแทบจะไม่ไหวแต่ว่าแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าแกเคยปฏิบททัติทำเรียนรู้วิธีการเจริญสติ แกก็เอาการทีราสติมาใช้คือดูดูความปวดมันปวดที่ท้องปวดที่ข้อเท้าก็ไปดูมันสานวนที่แกใช้ก็สติเนี่ยมันเอาจิตมาไว้ที่หัวไหลแล้วก็ดูท้องที่ปวดตอนนั้นเนี่ยใจแกสบายมากเลยนะท้านมีท้องมีปวดอยู่นะแต่พอพอสติใจมันไปนรวมกับกายเนี่ยปวดมากเลย คือตอนนั้นจิตมนไปไปยึความปวดของการเป็นความปวดของโกรธนะมันก็เลยทุกข์มากแต่พอได้สติจจิตทอมออกมาจากเวทนามาเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆเนี่ยเราก็ทําให้จิตในทำเป็นปกติทั้งที่พรอยังปวดมากอันเนี้ยที่คนเรียกว่าแย่กจยากใจที่จริงมันแ ย, ย่ดีแล้วเนพะียแต่ว่าจิตเนี่ยมันไม่ยอม มันจะก็ไปยึดอยู่นั่นแหละในความปวดความปวดไม่ได้จิตนั้นแต่จิตมันก็ชอบยึดเพราะมันเผลอของมันมีสติแต่พอมีสติครบตัวรู้เกิดขึ้นมันจิตมันออกมาเลยออกมาจากความปวดออกมาจากเวทนาความรู้ผู้ดูแทนมันก็หมือนกองไฟนะกองไฟถ้าเรามันรอดก็จริงนะแต่ถ้าเราอยู่ห่างนะมันไม่เท่าไร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามมกปล่อย เราบว่าเราน้องแค่ปล่อยใจเหมือนกับกระโดลงไปในกองไฟเขาอยู่ในกองไฟก็เจ็บสิปวดสิแต่ถ้าออกจากกองไฟเมื่อไหร่กองไฟยังอยู่ไฟกองไฟงไม่ดับเลยแต่ว่าเราไม่ทุกขนะ์แนละ้วเน่ยเพราะว่าอยู่ห่างจากกองไฟสติมันทาให้จิตเนี่ยมีระยะห่างจากความเจ็บปวดหรือความทุกขนะ์พอมีระยะห่างแล้วเนีเราก็ไม่ทุกข์ ความปวดยังมีอยู่แตใจไม่ทุกข์แล้วที น, นี้ก็ป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดกายปวดแต่ใจไม่ปวดมันทําได้นะมันเป็นวิธีที่จะช่วยทําให้อยู่กับความปวดโดยใจไม่ปวดหรือว่าความทุกข์โดยใจไม่ทุกข์ปัญญาในที่เห็นที่เห็นธรรมชาติของสังขารว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดา หรือปัญญาที่มองเห็นว่ามันไม่มีเรามันมีแต่รูป ก, กับนามก็ช่วยได้นะคนเราเนี่ยถ้า ม, มีปัญญาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตัวเราก็คือมันก็จะเห็นเนี่ยมันก็จะมีตัวกูอยู่เหมือนทีเราเุาตัวตุ่ยามเนี่ยวลาเรามองไปที่กระจกก็เห็นร่างที่เป็นตูปเป็กรอนแต่ถ้าเราไปเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ร่างนี้ี่มัน มีอง์ประกอบเยอะเลยนะตั้งแต่สมองกระโหลกหัวใจตับปอดจําแยกกันอยู่กัเป็นส่วนๆไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นก้อนคนที่มีสติทีม่มีปัญญาก็าจะเห็นว่าทางเรื่อ ง, งตัวยีงมีโตกูแต่ถ้ามีปัญญากขาจะเห็นไม่ใช่มมีโตกูมันมจะรูปแบบตา่างอะไรเกิดขึ้นกับโลกใจก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกข์ด้วย หลวงปูดดู่หลวงรัตโยท่าเคยไปผ่าเอาเยื่อออทุกอย่างหองปูดดู่หลวงปูบุญตาสมัย น, นั้นมันมีบุตรสาวก็ต้องใช้วิธีผ่าไม่ถึงสิบห้าทีผ่าเสร็จไปอีสิบห้าทีท่านก็บอกว่าไม่เป็นายแล้วเพื่อนช่วหมอพยาบาก็แกงใจถามว่าหลวงปู่ไม่ปวดเลยคนที่ผ่าน้องกว่ท่านเนี่ยยังบอกว่าปวดเลย หลวงปู่ทำงานไม่ปวดหลวงปู่ปวดเสียแต่ไม่ได้ปวดน้งกายหลวงปู่นก็เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมแต่ใจมันไม่ไปวดเป็นกับกายอย่ามาปนกันคือเวลาปวดเนี่ยท่านก็เห็นว่ากายมันปวดนะแต่กูไม่ได้ปวดด้วยเมื่อท่านเห็นว่ามันมีตัวกูเวลาปวดเนี่ยเรามักจะรู้สึกปวดกูปวดนะคนทั่วไปจัง สำคัญอย่างกันแต่ท่านมองเห็นนะที่ปวดก็คือกายปวด ใ, ใจก็ได้ปวดด้วยนี่มันไม่ได้เปลียที่ใจนี่มันเปลนที่ที่กายอย่างเดียวอีกคราวหนึ่งนะท่านไปพระนิมนต์ไปฉันเพลก็มีพระทั้งคณะไปฉันด้วยเราก็อาหารเป็นพิษนะพระทั้นาณาเลยนะโอ้ขาเตียงก็เป็นแถวเลยแต่หลายรูปเนี่ย อาเจีย น, นยหมดแรงนอนหมวสภาพแล้วก็พหนุนทั้งนั้นแต่หลวงปู่บุตร迦นี่ท่านยังคุยกับยมได้เหมือนปกติแต่ก็ไม่ปกตินะเพราะว่าถึงคุยไปบางทีก็เอากรขบถนมามาเพราะว่าท่านอาเจียนอาเจียนเสร็จท่านก็คุยกับยมใหม่แา่ที่พระลุกอย๋ยนี่นอนอ่เป็นแถว บางคนก็แผลใจว่าลวนปู่เนี่ยมันอายุมากท่านทำยังไงแล้วก็ที่ท่งนก็บอกเนี่ยร่างกายคนเรามกะก็ไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอเจอยาเบื่อยาวยาเมาเนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยเพราะน้็เลือไม่ถูก ไอ้ที่ไอ้ที่ป่วยนะคือกายป่วยแล้วก็มันเจอยาเบื่อยาสารพิษนะแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจมันก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไก็ยังทำให้มีแรงคุยกญาติโยมไนดะ้ถึงเวลาจะอาเจียนนะก็อาเจียนให้นล้วเสร็จแล้วก็คุยกับโยมใหม่อันนี้ก็เชื่อว่าท่านท่านมีปัญญาปัญญาที่ทําให้ท่านเห็นว่าความปวดนะนั่นมันเป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของกู กูไม่ได้ปวดมันมีแค่กายปวดอย่งที่อาจารย์ท่าบอกเนี่ยเวลามีดบาดนิ้วนะั้นถ้ารู้สึกว่ามีดบาดนิ้วนะมันจะรู้สึกปวดนั่นแหละคนที่คิดว่ามีดบาดกูนะลองใช้นะลองพิจารณาอย่างง่ายนิดหนึบ้างที่ว่ามันนี่ก็เป็นนะเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้เราละเมอความปวดได้ โดยที่ไม่เป็นต้องไปพึ่งยาอย่างเดียวเพอบางทียาก็พึ่งไม่ได้แต่ว่าใจนะหรือคุณภาพของจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในตาสมาธิสติปัญญาึ่งบางทีเราเรียกลมๆวก็ธรรมะเนี่ยนะมันมันช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีนะยังมีเริ่มมีแรงมีตรังวงชากนะ็เติมคุณภาพจิตที่ว่านี้เข้าไปให้กับใจเราเยอะๆนะจังมีเวลาไม่ใช่ไปรอทำเราตอนป่วยหนักแล้วถึงแล้วนะ จ, จะไปไม่เป็นกได้นะ ม, นมีความวายามสมบเราฝึกนะยามซึกงเราพร้อมหรือยามซึกงเราตก ตนนี้พวเราหลายคนไมอยู่เลยเพราะว่าที่ยังอยู่ในยามสงบอยู่ก็ฝึกซะมาถึงวัยไปเจอศึกเจอความเจ็บป่วยเข้าไปแม้พร้อมไม่ไไปสู้กับมันบางทีเราก็สู้ไม่ได้ก็แค่ ย, ยอมรับยอมรับความเจ็บป่วยแล้วก็อยู่ความเจ็บป่วยให้ได้ยอมรับทุกข์ทรมานไม่ไปสู้กับมัน เดี๋ยวูเทียวกับมันให้ได้แลาวรสชาติทีบคุากันทต้งนี้